นกะยักษ์นั้นได้สดับพระดํารัสของพระราชาดังนั้นแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเพราะเหตุไรพระองค์จึงตรัส ด, ดังนั้นม้าของข้าพระองค์ตัวเดียวเท่ากับม้าหนึ่งพันตัวแก้วมณีของข้าพระองค์ดวงเดียวเท่ากับแก้วมณีหนึ่พันดวงม้าทั้งปวงจะเทียมเท่าม้าของข้าพระองค์ตัวเดียวหามิได้ ขอพระองค์ทอดพระเนตรดูความว่องไวของม้าตัวนี้ก่อนแล้วโดดขึ้นมา้าขับไปโดยเบื้องบนแห่งกำแพงพระนครที่กว้างเจ็ดโยธได้ปรากฏประหนึ่งว่าม้าเอาคอจดกันเรียงล้อมพระนครถ้าม้าวิ่งเร็วกว่านั้นไปก็มองไม่เห็นตัวแม้ยักษ์ก็มองไม่เห็นเห็นแต่ผ้าแดงคาดคุมเท่านั้น ได้ปรากฏดังผ้าแดงผืนเดียววงรอบพระนครปุญญกะยักษ์ลงจากหลังม้ากราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์ทอดพระเนตรเห็นกําลังเร็วแห่งม้าแล้วหรือเมื่อเท้าเธอตรัสบอกว่าเออมานกเราเห็นแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์จงทอดพระเนตรดูอีกในการบัดนี้ แล้วขับม้าไปบนหลังน้ำในสะโบกครณีที่อุทยานภายในพระนครม้าได้วิ่งไปมิได้ให้ปลายกีบเปียกเลยลำดับนั้นพุณกนกยักษ์ให้ม้าวิ่งคับไปบนใบบัวตบมือแล้วเหยียดมือออกม้าวิ่งแผ่นมาหยุดอยู่ที่ฝ่ามือลำดับนั้นพุณกนยักษ์กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่งนรชนมาเห็นปา น, นี้ควรจะจัดเป็นมาแก้วหรือไม่พระเจ้าข้าเมื่อพระองค์ตรัสว่าควรมานกจึงกราบทูลอีกว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้ามาแก้วยกไว้ก่อนเถิดขอพระองค์จงทอดพระเนตรดูอนุภาพแห่งแก้วมณีเมื่อจะประกาศอนุภาพแห่งแก้วมณีนั้นจึงกล่าวคาถาว่า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 อันธรรมชาติสร้างสรรไว้ในแก้วมณีดวงนี้พระเจ้าค่าบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าหญิงอิทธีนางความว่ารูปหญิงมิใช่น้อยที่ประดับตกแต่งในแก้วมณีนั้นรูปชายก็เหมือนกันหมูเนื้และนกมีประการต่างๆหมูเสนาเป็นต้นย่อมปรากฏเมื่อจะประกาศสิ่งเหล่านั้น ปุณกยักษ์จึงได้ทูลอย่างนั้นด้วยคำว่าอันธรรมชาติสร้างสรรค์นิมมิตังนี้ปุณกยักษ์ทูลว่าขอพระองค์จงทอดพระเนตรดูสิ่งที่น่าอัศจรรย์เห็นปานนี้อันธรรมชาติสร้างไว้ในแก้วมณีนี้เมื่อจะแสดงแม้สิ่งอื่นๆ อ, อีกจึงกล่าวคาถาว่าขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตร จตุรงคินีเสนาคือกองช้างกองมา้ากองรถและกองเดินเท้าอันสวมเกราะอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรพลทหารที่จัดไว้เป็นกลมๆคือกรมช้างกลมมา้ากลมรถกรมราบอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้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 อันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรเสาระเนียตเสาเขื่อนกรอนประตูหน้าต่างซุ้มประตูและประตูอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าพระนครปุรังได้แก่เมืองคำว่าอันสมบูรณ์ด้วยป้อม อัตราละสำปันนังได้แก่สมบูรณ์ด้วยป้อมปราการและเชิงเทินคำว่ามีกำแพงและค่ายเสาเป็นอันมากพหุปาการะโตระนังได้แก่มีกำแพงและประตูรั้วค่ายอันสูงคำว่ามีถนนสี่แพร่งซิงคาตะเกได้แก่ถนนสี่แพร่งคำว่ามีพื้นราบเรียบ สุภูมิโยความว่ามีพื้นอันน่ารื่นรมวิจิตด้วยอุปจาระแห่งนครคําว่าเสารเนียตเอสิกาได้แก่เสารเนียตที่ตั้งขึ้นที่ประตูพระนครคําว่ากรอนปลีคังได้แก่กรอนเหล็กอีกอย่างหนึ่งบาลีก็อย่างนี้แลคําว่าประตูหน้าต่างอัคคราณนิ ได้แก่ประตูหน้าต่างพระนครคำว่าซุ้มประตูอัตตาลเกจะได้แก่ป้อมประตูขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรฝูงนกนานาชนิดมากมายที่เสาค่ายและหนทางคือฝูงหงนกกระเรียนนกยูงนกจักภาคและนกเขาอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้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 ที่เสาค่ายและหนทางในพระนคร น, นี้คำว่านกดูว ok ่าวดำกุนาลกาได้แก่นกกาว่าวดำคำว่านกดูว ok ่าวลายจิตราได้แก่นกกาว่าวปีกลายขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรพระนคร อ, อันแวดล้อมไปด้วยกําแพงชั้นดีเป็นนครหน้าอัศจรรย์หน้าขนพองสยองกล้าว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 บรรดาคําเหล่านั้นคำว่ากาแพงชั้นดีสุปาการังได้แก่อันแวดล้อมไปด้วยกาแพงทองคําคําว่าร้านตลาดปันนสาลาอยู่ได้แก่ร้านตลาดอันพรั่งพร้อมไปด้วยสินค้านานาชนิดคําว่าเรือนสิ่งของในเรือนนิเวสเสนนิเวสเสจะได้แก่ ตัวเรือนและเครื่องเรือนคำว่าถนนซอยสันทิปยุระเหได้แก่ที่ต่อแห่งเรือนและตรอกตันคำว่าถนนใหญ่วีติโยได้แก่ถนนที่เชื่อมถึงกันได้ขอเชิญพระองค์ทอปพระเนตรโรงขายสุรานักเลงสุราพ่อครัวโรงครัวพ่อค้าและหญิงแพทย์สยา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 พวกปรบมือพวกตีฉิงอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่านักเลงสุราโซนเดจะความว่านักเลงสุราพูดแต่งตัวด้วยเครื่องประดับคอและเครื่องประดับหูอันสมควรแก่ตนนั่งจัดแจงที่ดื่มสุราคำว่าคนปรุงของหวานอาราลิเก ได้แก่คนปรุงขนมคำว่าคนปรุงของข่าวสูเทได้แก่ผู้ปรุงอาหารคำว่าพวกปรบมือปาณิสเรได้แก่ขับร้องด้วยการตบมือคำว่าพวกตีฉิงกุมพระทูนิกได้แก่ผู้ประโคมด้วยเสียงกระทบกระทั่ง ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรกลองตะโพนสังบันเดาะมะโหระทึกและเครื่องดนตรีทุกอย่างอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้มณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรเปิงมาง ก, กังสดานพินการฟ้อนราขับร้องเครื่องดนตรีดีสีตีเป่าอันเขาประโคมครึกครืน้นอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้มณีดวงนี้ ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรเปิงมางกังสดานพินการฟ้อนรำขับร้องเครื่องดนตรีดีสีตีเป่าอันเขาประโคมครึกครืน้นอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรนักกระโดดนักมวยปล้ำนักเล่นกลหญิงงามและชายงามคนเฝ้ายามและช่างตัดผม อันธรรมชาติสร้างสารรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าเปิงมางกังสดานสั ม, มะตาลังได้แก่ตะโพนที่ทําด้วยไม้ตะเคียนเป็นต้นและกังสดานคําว่าเครื่องดนตรีดีศสีตีเป่าอันเขาประโคมครึกครืน้นตุริยาลิตะสังขุดถังได้แก่ เครื่องดนตรีต่างๆที่เขาประโคมอย่างครื้นเป็นอันมากและเอกระเิกคำว่านักมวยปล้ำมุติกาได้แก่นักมวยปล้ ำ, ม, ม, ลำมือเปล่าคำว่าหญิงงามและชายงามโสพยาได้แก่หญิงรูปงามประจําเมืองและชายรูปงามคำว่าคนเฝ้ายามเวตาลิเกได้แก่ ผู้แจ้งเวลาปลุกให้ตื่นขึ้นคำว่าช่างตัดผมชันเลได้แก่ช่างตัดผมกำลังปลงผมและหนวดอยู่แท้จริงในแก้วมณีดวงนี้มีงานมหรสบอันเกลื่อนกลนไปด้วยชายหญิงขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรพื้นที่เป็นที่เล่นมหะสบบนเตียงที่ซ้อนกันเป็นชั้นชั้นอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรเถิดพระเจ้าค่าบรรดาคำเหล่านั้นคําว่าบนเตียงที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆมันจาติมันเจได้แก่เตียงที่ผูกไว้ข้างบนเตียงใหญ่คําว่าพื้นที่เป็นที่เล่นมหรสศพภูมิโยได้แก่ภูมิที่แสดงมหรสศพอันน่ารื่นรม ขอเชิญพระองค์ทอพพระเนตรพวกนักมวยปล้ำซึ่งกำลังปล้ำกันด้วยแขนทั้งสองในสนามเล่นมหรสบทั้งผู้ชนะและผู้แพ้อันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าในสนามเล่นมหรสพสัมมัชสมิงได้แก่ในสนามมวยคำว่าทั้งผู้ชนะนิฮเต ได้แก่ผู้กำจัดคือชนะแล้วตั้งอยู่คำว่าและผู้แพ้นิฮะตะมาเนได้แก่ผู้แพ้ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรฝูงเนื้อต่างๆเป็นอันมากที่เชิงภูเขาคือราชสีเสือโคร่งหมูป่าหมีหมาป่าหมาในาแรดโคลานกระบือละมั่งกวางทอง เนื้อสัตว์ระมาดวัวสุกรบ้านชมดแมวป่ากระต่ายและกระแตซึ่งมีอยู่มากมายหลายหลากขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรผูกเนื้อต่างๆซึ่งมีอยู่เกลื่อนกลาดอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าปละสตาแปลว่าแรด บาลีว่าภละสะตาดังนี้ก็มีคำว่าควชาแปลว่าโคลานคำว่าระมาดสรรภาได้แก่เนื้อชนิดหนึ่งเป็นวัวและสุกรบ้านก็ได้คำว่ามากมายหลายหลากพะหูจิตระได้แก่เนื้ออันวิจิตโดยประการต่างๆคำว่าแมวป่า วิลาราได้แก่แมวที่อยู่ในป่าคำว่ากระต่ายและกระแตสะสะกันนากาได้แก่กระต่ายด้วยกระแตด้วยในแก้มณีดวงนี้มีแม่น้ำมีท่าอันราบเรียบลาดด้วยทายทองมีน้ำใสสะอาดไหลไปไม่ขาดสายเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลาอนหนึ่ง ในแม่น้ำนี้มีฝูงจระเข้มังกรปลาฉลามเต่าปลาสลาดัดปลากระบอกปลากฏดปลาเขา้าปลาตะเพียนท่องเที่ยวไปมาบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าแม่น้ำนัชชายโยได้แก่ณทีคำว่าลาดด้วยสายทองโสวันนะพาลุ ก, กะสันติตาได้แก่ มีพื้นตั้งอยู่ลาดด้วยทรายทองคําว่ามีฝูงจระเข้กุมพิลาความว่าสัตว์เหล่านี้มีรูปเห็นปานนี้เที่ยวสัญจรไปมาในแม่น้ําขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรสัตว์แม้เหล่านั้นที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีนี้ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรขอบสระโบกครณีอันก่อสร้างด้วยแผ่นแก้วไพลทูล เกลือนกลนไปด้วยฝูงนกนานาชนิดดาราดาดไปด้วยหมู่ไม้นานาพันธุ์อันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าโอบสะโบกครณีอันก่อสร้างด้วยแผ่นแก้วไพยทูลเวรุริยะพละกะโรโอทายโยความว่าฝูงนกหัวขวานพากันเจาะแผ่นหินอันล้วนแล้วด้วยแก้วไพลทูล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 อันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเป็นที่อยู่อาศัยของปลาใหญ่ๆปุถุโลมัชชะเสวิตาได้แก่เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลาตัวโตๆคำว่าด้วยทิวป่าวณราเชพิได้แก่รอยต่อของป่าบาลีก็อย่างนี้เหมือนกัน ขอเชิญพระองค์ทอพระเนตรบุพภวิเทหทวีปทางข้างหน้าอมระโกยานทวีปข้างหลังอุตรกุรุทวีปและชมพูทวีปด้านขวาขอเชิญพระองค์ทอพระเนตรสิ่งอัศจรรย์อันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทอพระเนตรพระจันทร์และพระอาทิตย์อันเวียนรอบสิเนรุบรรพศส่องสว่างไปทั่วสี่ทิศ ขอเชิญพระองค์ทออพระเนตรสิ่งอัศจรรย์อันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทออพระเนตรสีเนรุบรรพศอิ ม, มวันตะบัรพศสมุดสาครพื้นแผ่นดินใหญ่และเทามหาราชทั้งสอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทออพระเนตรพุ่มไม้ในสวนแผ่นศิลา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 บุพวิเทหทวีปวิเทเหได้แก่บุพวิเทหทวีปคำว่าอมระโคยานทวีโปโยยานิเยจะได้แก่อมระโคยานทวีปคำว่าอุตตรกุรุทวีปและชมภูทวีปกุรุโยชมภูทีปัญจะได้แก่อุตรกุรุทวีปและชมพูทวีทป คำว่าอันเวียนรอบอนุปริยายันเตความว่าซึ่งพระจันทร์และพระอาทิตย์เหล่านั้นอันเวียนรอบภูเขาสินเนรุคำว่าแผ่นศิลาปาติเยความว่าผิวบนแผ่นศิลาประดุดตั้งปูลาดไว้ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรปราศาสตรมากกว่า 1,000 พันหลังในดาวดึงพิภพ พ, พื้นลาดด้วยแผ่นแก้วไพยทูล มีรัศมีรุ่งเรืองอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีและชั้นปรนิมมิตวัสวดีอันธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ในแก้วมณีดวงนี้ขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรสะโบกคารณีในสวรรค์ชั้นนั้นนั้นอันมีน้ำใสสะอาด ดาราดาษไปด้วยมนทาลกะดอกปทุมและอุบลบรรดาคําเหล่านั้นคําว่ามากกว่าหนึ่งพันหลังปโรสหัด ส, สังความว่าปราศาทมากกว่าพันในพบชั้นดาวดึงลายขาวสิบลายอันน่าดูน่ารื่นรมใจลายเหลืองอ่อนยีอดลายลายเหลืองขมิ้นสิสี่ลายลายสีทองยี่สิบลาย ลายสีเงินยี่สิบลายลายสีแมลงค่อมทองสสบลายมีปรากฏอยู่ในแก้วมณีดวงนี้ในแก้วมณีดวงนี้มีลายดำา16ลายและลายแดง25สห้าลายอันเจือด้วยดอกฉบาวิจิตด้วยนิรุบน่าแต่พระมหาราชาผู้สูงสุดในทวีปขอเชิญพระองค์ทอดพระเนตรแก้วมณีดวงนี้อันสมบูรณ์ด้วยองค์ทั้งปวง มีรัศมีรุ่งเรืองผุดพองอย่างนี้ผู้ใดจักชนะฆ่าพระองค์ด้วยการเล่นการพนันแก้วมณีดวงนี้จักเป็นส่วนข่าพนันของผู้นั้นบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าลายขาวสิบลายในแก้วมณีดวงนี้ทัเสตทะราชโยความว่าลายขาวสิบลายมีอยู่ในแก้วมณีนั้น คำว่าลายเหลืองอ่อนยี่สิบเอ็ดลายฉะปิงคลาปันณระสะได้แก่ลายเหลืองอ่อนรวมยี่สิบเอ็ดลายคำว่ล า, นนาะะลายเหลืองขมิ้นฮลิทธาได้แก่ลายเหลืองขมิ้นสิบสี่ลายคำว่าสามสิบลายติงสติได้แก่ลายสีมลงค่มทองสามสิบลายคำว่าฉะจะ ความว่าสิบและหรวมเป็นลายสีดำาิหลายคำว่าลายแดง2ี่สบห้าลายมันเชษฐาปัญจวีสติได้แก่โปรดทอดพระเนตรลายสีแดง25ห้าลายคำว่าอันเจือด้วยดอกฉบามิสาพันทะกะปุบเพหิความว่าขอจงทอดพระเนตรลายสีดำและลายสีแดงอันวิจิต อันเจือด้วยดอกไม้เหล่านั้นอันวิจิตจิงอยู่ในแก้วมณีดวงนี้มีลายดาเจือด้วยดอกฉบาลายแดงเจือด้วยดอกอุบลเขียวคำว่าเป็นส่วนค่าพนันโอทิสูงกังได้แก่เป็นมูลค่าการพนันปุรนกะยักกล่าวว่าผู้ชนะเราด้วยการเล่นการพนันแก้วมณีดวงนี้จะเป็นส่วนค่าพนันของผู้นั้น กบาลีในอัตถกถาว่าโหตุสูงกังมหาราชข้าแต่มหาราชเจ้าแก้วมณีจงเป็นสวยดังนี้ก็มีคำนั้นมีอธิบายว่าข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุดในทวีป พ, พระองค์จงทอดพระเนตรแก้วมณีนี้คือเห็นปา น, นี้ข้าแต่มหาราชเจ้าแก้วมณีนี้เป็นเดิมพันของข้าพระองค์ ผู้ใดชนะข่าพระองค์ด้วยการเล่นการพนันแก้มณีนี้เป็นของผู้นั้นมณีกันจบ